ห้ <Book> <53. S 3> าสิบสามร้านค้าบูติกรเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาดิเลดอเล่าหลังสปอร์อรสรตส์สำเ ร, ร็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 เราต้องการซื้อยาเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Vi l เ d e r efter en s p o r ร s f o r r e t n i n g så vi kan k า b e e า fodbold. ลเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาวิลเล่ย์ลดเดอร์เอฟเฟอร์ดับบูทิกซึ่งวิลเล่ย์เลเดอร์เอฟเฟอร์สามารถซื e อขายยาไดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับวิลเล่ย์เลดเดอร์เอฟเฟอน่าิดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเคก้กใหญ่เป็นเลมหรือคือเป็นเหล้าเค้กดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนใหญ่ลีดเอฟต e อหนึ่งร์ so I buy a ring ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิยยล์มใหญ l ลีดเ e ฟต่อหนึ o งฟุตูฟอ t ์เริ่ I can film ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กย่ายลือเอฟตร์คอนติโดรี soya คือเป็นหลาเค้ก